เที่ยวมาทัางพี่ก็ค่อย <c oughs> ก็พอดีจัดทุกการแก่งอยู่มณฑกหลวงปูไม่ได้สะดวกนะแต่ว่าเสียจังเดียวสิคำโบทถ์สร้างคัวบกขอนมุ่นเป็นหกโมงไปเทศสนอตัวมุ่นทํมวัดตระหามงกกได้ไปล่าอยู่บอกไปมุ่นเหร นักน euh ุ่มเหมืนว <c oughs> ่าหลายคนแปลงหลายคนว่องผมบอกคนผู้เดียวเลยยากเอยเรียนครัว่าเร็ยนเรียนไปเที่ยวกันเลยมาทั้งปีเด็กเด็กก็พอดีแล้วทำบัตรตงก็แล้วทำบัดรตรงก็แล้วทาวัตโดนปะล่ะ ฮอโอ้ตัวลายญุบ <S ix S 2> <Yani> ุญไม่ได um uh ้ตรวลายมาตกาซื่อมตกาเรากอยญุบุญจบขุนวดบึงก็เลยนั่งสมาธิอ่ากระผามันจะมันเกือบพึงจะมุ่งไเนี่ยนั่นจบขุนวดเนียวพรว่าขึ้นนันมาแต่ไปตามอีกก็นเหรอะก็เลยเศร้า บ้างเทพพระป้ากับบ่มีเล้วเ้าหลายแล้วเมาเส้าหาวันเอ า, าได้เปิดภูไม้มมมเมาแรงหลายคือเข้าตันเมื่อพระพุทธเจ้าจะตัดสรู้นั่นงเเมาเด้เมื่อจะตัดสัตรู้ด้วยการปฏิบัติได้แต่เฮ็ดนั่นพระพุทธเจ้าอยากพ่นคือพระพุทธเจ้าเฮ็ดคือพระพุทธเจ้าตัวไม่ยากด้วยกันนั่นพระพุทธเจ้า อันนี้น้ำใจจะของอะไรจังย่าเพราะใจคนนอกนี่มันเอืบอาบไปด้วยกิเลสเนี่ยใจคนในโลกเอือบอาบไปด้วยกิเลสตาคนนอกเห็นแต่ของนอกตาเนื้อเห็นแต่ของนอกตาในจึงจะเห็นมักเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นปณิพัทธ ทานนั่นจะเกิดสมิก็คือท่าสมาธิเนี่ยสินสมาธิปัญญานี่ยมิศินก็นมีสมาธิก็มีสัญญาปัญญาประหารจิเลต ส, สมาธิพว่มตั้งมันของจิตพว่มสงบของจิตจิตได้พักแล้วก็เกิดปัญยาเกิดคว่มรอบรูเนีย วามรอบรูในกองสังขารเรียกว่าปัญญาอวาก้มรอบรูในทา้งโลกผมมีตาเนื้อรูตามหลักรูแต่วามโลกรูแต่ความโกรธรูแต่วามลงแลน้ำวามหักวามโลกวามโกรธวามลงบริตัตตุนีีตาเนื้อต้องอาศัยตาภายในตาไายในเป็นเรียกว่าทัรมาักซุกไห อาทําทมาจักสุจะเกิดขึ้นกับพอมีนั่นสมาธินะะเน่เเน้นนักเน้นนักให้ทำสมาธิเถี่ยวกอนก็มากระบอกเน้นนักปากทมสมาธิได้ควมจังก็มาถามกันมือนน <c oughs> มนม้อนี้เห็นหมว่าแขกันมื้อนี้ตัวคัดของเนวใดไงทแล้วว่เกิดควบลูกกับพมีควมถาม อันทําแล้วเกิดพวามลูเกิดพวา ม, มของใจมีคำถามใดช่วงระยะทุท่ายก็จะไปถามอยู่ดวอองนี่งกับป่ารกกันไปสกอนว้ากันไปสกอนไปติดไปค่าไปของอยู่บันใดจังบัไดดพวามลูกดิว้อนทําหายางเนีเ่ยยกขีข่านลักโลกโกดตรงหงงเหงาเหานอนงสงสัยลังเล ในอยังลงไปก็สงสัยทั้งเล่ใจที่แมนทางบนนอแมนทางพระพุทธเจ้าพระเดินบนนอเรื่องสัน่นนี่ควมสงสัยก็เล่ใจก็ลั่งเล่กบกกาอใจบกกาบกฤตีสั่งงาหนึ่งันบกกากับพกพ้นแล้วฆ่าจุดนี่แล้วไปฆ่าความสงสัยของใจฆ่าควบงงเงาเหานอนนี่ บ่มีความเพี้ยนกับเป็นผาความท้อแทะอ่อนแอพอเป็นเจ้าเป่นพานไปเมื่อความท้อแทะอ่อนแอความขี้เกียจขี่ข้านกับบ่พมีความง่วงเหงาเ้านอนกั บ, บ่พมีสงสัยลังเลกับบ่พมีเพราะคนเหน็ดมาดหลายปีแต่ด้กว่าจะมาปีสุดท้ายมือสุดท้าย mm hmm. มือคนจิตัสจะรู้กับ <c oughs> มุจักกันดีก ว, ว่ว ความสิตัตทะลูเป็นอธิษฐานจิตจังไรอ่านเป็นอธิษฐานจิตกันบริทัตทะลูกมันนี่สิบว่าไปใส่มาใ ส, สาหรือสิบว่าลุกจากทีนะเมื่อกี้พ่อแม่คูบาอาจารย์มันกัดเน้นหนักจุดนี้คือกันเป็นผ้าเข่าฟ้าเ ข, ข่าลงกัดเน้นหนักภาคปฏิบัติเด้อนั่ <c oughs> นงก็ได้ขึ้นนั่งมดอขึ้น ม, มือขึ้นพอเห็นผลนั่งสองขึ้นสามขึ้น ต่อไปหมดซีขึ้นนาวืึ้นจนหายของใจบนตัวนี่แต่ค่าจะใส่ไปติ๊ก็แท้วสก็สู่ต่อสู่จุงสั่นแล้วอืพระพุทธเจ้าอธิษฐานจุดนี้กับกึ่งกันแนละถ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ยอมไม่ยอมลุกจากที่ในวันนี้นี่นั่นเป็นบระน้อมศียสัสตว์เต๊พระพุทธเจ้าบ่ <c oughs> มือบ่อมือก้นบ่มีคว่ำ มุ่งหวังเพื่อตัดสลูดีพวกบกบมิความมุ่งหวังเพื่อตัดสลูรั่วสินรูถ้ำก็ทํทตาทตามก็เยิ้มทําตามควมขีเกียรติข่ขานขี่ข่านเพเห็ุขยันจึงเหตุนี่เรียกว่าตามกัเยิมพระพุทธเจ้าเป็นบ่ตามก็เยิ้มต้องเป็นเป็นตายตายนี่มันเป็นก็เป็นตายกับตายนั่น ขาอย่างขากพระบาปก็ขาขิเล็ขาดเล็ดตายก็พรบาปขาดนัอื่นตายเมื่บาปเมือเ น, นี่ยนี่ขาขิเลในมือ น, นั้นแหะพระพุทธเจ้าพอได้รัดรูปพยอมลงจากตีอดรนทอนถูกขยกกุมาใส่ดิอ่พวกพญามันในบทปหงงงดิมิแตพระพุทธเจ้าสู่กับพญามันดิผ า, าหารคือมือนี่มือของพญามัเดอ่มามาัทกมตีนั่น เก็บพันปวดนี่กับพัญามนมัดมาทุกมาตีเมื่อพัญญามานเป็นพันพันพอดี <c oughs> อเออจะขังกับปล่ยสั่งนารา k ีลิงมีอ น, อนไดตัวไหนในบทบวช <c oughs> บวชหมวดพระมง่งะมีแตพ่พระกุศลสูรขจาม่านไรควมอดทนผ่านอุปสรรคหยุดนีไปมัดจะไปเหลืออย่างไ้กิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่เขากล้าอาหารแทนนี่หรอผลในพาดด่านอยู่ปากปลาตายก็ บ, บอกอะไรฟังรเราได้แต่กล้าอาหารในค้อมตายแถ้าเราก็พ้นไปได้พันบอกล้าอาหารในค้อมตายพ่นไปก็ได้คนห้อยย่านอย่งหลายก้มูอย่านค้อมตายเนี่ยเหตุผลเรากระไรย่านตายที่อดอาหารย่านตายอดนอนย่านตายที่นั่งโดนก็นย่านตายบ ะ, ะขิงข้าวก็ตายง่ายก็น่อง พดควากรรมสั่งกรรมไปมาตะเ ก, กาแล้วผู้ใดไม่ได้ส้างบาปส้างกรรมไหลก็อนุก็ยืน่นแยาหนา น, านกูมีบาปมีกรรมไว้หลในอยุสันแล้วเขาก็เห็นกันอยู่ในโลกอันนี้บางกูบางคนแทบเดี่ยวกับไปอยบางกูบางคนเบ่ตันคลอดอมากไปจเน่ยเน่ยวัตถุแนวหนึกงมีแนวนึ่งมาเบียดเบียนยุงสันแล้วเห็นยุงสิทั้งทั้งตีผู้ใดก็ไจากให้เป็นไปจากไห้ตาย เกิดมาแล้วมาจากใมีอายุหมั่นกวอนยื่นมาจากให้เจ็บไขรได้ป่วยมอยากใครเป็นนั่นเป็นนี่เกิเหตุกันอยู่ทังสัน่นปฏิบัติกันอยู่ทังสัน่นเรื่องค่วมเป็นอยู่ของโลกแต่ผลสุดท้ายสรุปแล้วก็คือนั่นก็มาร่วมอยู่คำว่าเกิดเล้าแก่แล้วเจ็บแล้วตายละพวกกิรัง ย, งยังยื่นไปมาดส นี่แตกตามกันเดี๋ก็คือเวลาเท่านั้นนี้ทุกครูทุกคนไปมัดสีวัดไปเล้วไปซ่าแต่ยุ่กับเวลาเท่านั้นนี่ไปมัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเตรียมตัวเตรียมใจก็คือเตรียมจุดนี้เตรียมภาคปฏิบัตินี่มุ่งหวังอยากมาเกิดเป็นครูเป็นคนอยากพบพระพุทธศาสนาแต่ก็อยากปฏิบัติสิ่ธรรมพันที่ แต่ว่าคนนอกมันกับผ้าลาฮาเวปัญจักขันท่านะวัเนเดย์ผ้าละของธาตุของสังขารก่อนนี่มันเป็นผ้าละ อ, น อ, อันนับเอ่อนักก็นักก็บเบื้องในตนเองแหละบัตรตรวจตัวตาพิจนาในตนเองพวกนักบันไดเบาบันไดก็เห็นกันอยู่ทุ้ท่า้นแหะหาเงินหาทองหาสุขจริงสุขจ้างมาเมื่อมือเท่าคําฟังคําบ่ยืนกลางคืนบ่อยอยู่กับหมาบำรุงตั้งแต่ ธาตุแต่สังขารก่อนนี่นี่เพราะคนห้าวติดบัณ น, นี้ยุงบัณ น, นี้ข้าบัณฑิตของบัณ น, นี้ก็เอาบัณ น, นี้มาจำพระพุทธเจ้าเพื่นก็สอนย จ, จำจุดนี้อ่ย้อนจำเรื่อคนห้าวติดกายเห็นไหมคนห้าวติดสังขารติดร่างกายคนจังเห้พิจนาสังขารร่างกายเหตเป็นไปตามควอมังกิงที่เขาสวดมนต์ไปว่า ไปยูจังสันว่าทุกเศ้าว่าทุกแย่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาด น, นี่ปากว่าแต่ว่าปฏิการเทศเป็นเทศมิตรของสะอาดมิตรจากให้สะอาดมิตรจากหายแจบมมืดเท่ า, าใ ด, ดก็ไปว่าบิตรจากหายตายรุ่งพยาบาลจูใส่จูใส่โผไปโหไปแต่คนทุท้ายปีนคว่ำเป็นจริงว่ได้นี่ ควบเป็นจึงมีอยู่จังสัรคคือเกิดเราแกฉเราเจ็บแล้วตายมาดิควมเป็นอยู่ของโลกเกิดแล้วบ่าหายแฉบบ่ห้ยเจ็บก็ให้ตายตัวหามาต่อได้ก็ได้กับบ่มลุ่งแต่ร่างกายพอเพื่อเมอเสมอว่าสังขารร่างกายเลียงดีเฮ็ดดีแต่งดีป็นได้ก็ทรงห่อหอดเม้มน่ะ จิตใจดิส่องเห่าถึงสวรรค์ถึงพานิพาทอันจิตใจปฏิปฏิปฏิบัติจิตใจจุดนี้ก็ไปทั้งตำน่ะเปรตอสุรกายสัตดระยานไหมอันบรมีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าจงเน้น่นัใเสื่อมันในคุณศิลคุณธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสแสวงหาด้วยความทุกข์ยากลำบากสัางสมอบรมบุญกุศลบันาบารามีสีอสไข ครับกำไรแสนมหากัาบผลนี่ผนสางบารมีเพรมันเพื่อพระองค์เดียวสําเนยเพื่อสัตว์โลกด้สางข่วมลำบากตากตำพระองค์เองเพื่อสัตว์โลกนั่นค่วมกล้าหารค่วมกล้าเสียสละของพระพุทธเจ้าทีนี่ผได้มาด้วยค่วมหยุ่งยากลําบากปานนั้นเขายัางบ่เสียอยู่ดิเสียอายุคํเาเบาแต่ว่าการเหตุถึงไปนู่นนึง ปากกับใจพอตรงกันมันก็ บ, บ่ถูกต้องอ่าปากก็ตังไหนใจก็ตังไห้เห็ดน้ำคั่มปากคํ่เว่าไว้ตัว <c oughs> นี่ทองกันนะทองตอแระก็บทองแล้วทองบลเศ้าสวดจูาเศ้าแต่ฝนเห็ดน้นนนำคั่มสวดคั่มทองปลพริกเจ้าน้ำคั่มสวดคําวาเดย เพรด็กจิตหลายเพรด็พิจิรหน้าหลายดอกออกค้าสวดค้ามมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมาพิจิรหน้าเบิร์ไหนมันแจ้งชัดในใจนี่ฉันบอกมีเวลาปฏิบัติเข้าไปก็เลยพอเห็นจุดนี้นี่ว่าถือ่เสียฉันว่าพอเฮ็ดก็เฮ็ดจูคนบอกคนหนึ่งหน้าที่ก็นั่งอยู่นี่เพราะได้เอาจริงเอาจังว่าสิตเนื้อดันขึ้นไปบางที่ก็บ่เกิดสัทธา ปัญญาก็เพเกิดนี่คือเกิดขึ้นด้วยการบังคับมันปัญญาเพเกิดดิในด้านพระพุทธศาสนาต้องเกิดด้วยศรัท ธ, ธาตัวยในภาคปฏิบัติก็ดีในภาคทำท่านก็ดีท่านอันได้บอกก้าวได้ตอกย้ำยู่ปโซเป็นค้อมเสื่อมันไี้หลีจริงจังไปทำท่านก็เพระได้อา น, นิสงส์แล้วอ่าผลเรียกว่าอยังภาษาปาโนศรัทธาหัวเต้า นั่นลุกออกลุกเข่าลุกออกลุกเข่าหัวเตามีสัทธาเนี้ยก็ไปก็่าจะจะเคล็ดหลาเอาไปมาเมั่อสัทธามันถอยออกมาอีก่าน <c oughs> ที่ท่ทานพันแบบนะท้ายพันลอยไปอย่างนั่นนี่เป็นเรื่อว่าสัทธาหัวเต า, เตานั่งสมาธิภาวนาคือกันแล้วอันถือบังคับเนี้ยก็เห็ดจูเมันผ้าเห็ดผ้าถ้ำแต่ใจมันบวกลงเนี้ยผ้าเห็ดผ้าถรมอันบวเกิดขึ้นด้วยสัทธา ยังบอกพระพุทธเจ้าแล้วผู้ใดามาภาเพลินทับผู้ใดามาบังคับเพลินนั่นต น, ต น, ต น, ต น, น เ, เตือนตนไม่ได้ผู้ใดเล่าจิเตือนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนตอนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเห็นไหอท่านพระพุทธเจ้าเพล่นเห็นการไก่ว่าการนั่งสมาธิภาวนาต้องนั่งเป็นหมู่เป็นหมู่กันบม่มีรักเหตุผลก็เป็นทุกขันอแล้วแต่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 อ๋นั่นังบังคับกันอยู่โอ้ยใจมันไปก่อขวนกันตัวไปตำผู้นั่นไปตําผู้นี่บางครูบางคนสติพอดีก็นั่งรับเสียงกลนไปโกโก้กากกับพี่ตัวว่าถึงก็ไปส้นกันแล้วบางคนบ่มีศรัทธาเนี่ยอ่าหนนั่งโดนเน็ตปันแล้สิเศร้านาะปันได้สิเศร้านนาอยู่นี่แล้วก็จะนั้นเป็นยังว่างเป็นอิสระพระพุทธเจ้า จะเกิดขึ้นได้เพราะความเพียรพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรพยายามอย่างพระพุทธเจาเ้ากับพยายามพระองค์เดียวดิว่ามีผู้ใดไปซอยดิ <c> ์ <oughs> ดูรบด้วยการป ฏ, ปฏิบัติด้วยค่วมภาความเพียรลดน้นทนุกข์ทรมานเพื่อสัตว์โลกพราะนั้นสัตว์โลกบ่เคยเสือพระพุทธเจ้าโลกสงสารสูรเลี้ยนเขียนอ่านมากม่ม่ม่่า่่่่่่่่่ต่่่อ่่่่ คนมีเกลีกเสือตะโลกโลกคนเห็นด้วยตาเนื้อทด้โลกโลกอ่าจากได้เงินได้ท่องทําการตรงงานได้เงินได้ท่องมากมันเป็ตัวแบบอยากได้หนังเฮ็ดเอาก็ได้มากอยากได้หนังเฮ็ดเอาก็ได้มากส่วนหมักผลในผ่านต้องเห็นด้วยตาภายในตาภายในสิเกิดมีเกิดกึ่งมีคว่ำเพี้ยนเรียกว่า ศินสมาธิปัญญานั่นมันมีศินก็จะพอมกันด้วยองค์สามประการศินบริสุทธิ์สมาธิตั้งมันปัญญาก็เกิดมันสินบบริสุทธิ์สติมาธิบัตั้งมันปัญญาก็มาเกิดจิตห่วงหนา้าห่วงหลังของจิตของใจยุ่งสั้นแล้วมันจึงเน่ยนนักไหว <c oughs> เน่ยนนักไหวสังวรสังร่วมนวัดนวังใน สประกาศนี้คือศีลกับสมาธิกรับปัญญาอันอันนึงตั้งรักไว้แล้วอันนึงก็เกิดขึ้นมานะอันสามก็เกิดขึ้นมาต่อไปเป็นลําดับลาดับมาสั้นอันจังหยาดโยมยังติดฝันทานน่านศีลาวนาเขนได้แต่ท่านแต่ตัวฝัพมันศีลมันพระเห็นนี่วะเดี๋ยวนี้น้ำวัดต่างๆพอเกินสมมารับบ้านนี่หาเสียบหลังนะ ผูไปรักษาศีลกับพวกเคืองนึ่งสําึกไว้นั่นนะควมบ่เสื่อมันควบบ่เห็นผลในการปฏิบัติควมบ่เห็นผลตามหลักเหตุผลของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาบ่เห็นเหตุจุดนี้ก็เลยขีเกียรติขีขัขขขนเป็นตัวันโอ้ยฮู้บ่มีบุญกุศลไปจําศีลภาวนาดอกนะยังอดบาดา่ได้อดเขา่าอดนาาดา้าบ่ได้อดหลับอดนอนบาา่ได้อ <c> ด <oughs> สะดวกสบายอดนั่ง ศาสตร์นงเสื้อยัดตโวยนุ่นและสา ม, มีบ่ได้เรื่องของปัญมานมันต่างไปไ ด, ด้เมื่อปั่นบ่หีสติปัญญา <c oughs> สู่ปัญญามานบ่ได้ปญญามานเห็นเล่าเล่าก็าเห็นปญญามันกิเลสเห็นห่าวห่าวก็เห็นกิเลสอ๋อที่ตั้งท่าใดมาด้าแล้แวกิเลสเอาตั้งสัตว์ตัวใดมา้าแล้ว เขาท่าได้สิเปลกเยอกัดข้อมเพียอนบาท่อเบาวันบอกกาหานเด็ดเดียวอีดีไปว่ได้เ <c oughs> นี่ยล่มละลายปฏิบัติไปในล้มละลายปฏิบัติไปในกล่มละลายแต่ตลลจังหวะนี้แต่การท่านจนว่าทำไมพระยุ่งผาหนัาากก็คนไทยสมัยใหม่ <c oughs> บ่เหตตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการทำท่านกับ่เหตตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเหตเพี้ยนเหตเพิ้ตายจนพระลําบากอวัน เ, น <c oughs> เนข่าพันสาเต็มไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนผ่าสะบงกีว่านผ่าอาบนา้ําฝนน้ำอ้อยน้ยนําตาลอะไรก็เต็มกองจุ่มกลุ่มอยู่จนบ่มีบอลเจ็บคนเมียนโหน นาเทศ ก, การกระถิ่นก็คือการขนม้าว่าจันผ่ากระถินพระเปน็นนางสวดจนว่าบ่มีบ่อนว่างผ่าเสออิ <c oughs> ่งของนอกดันก็บ้ออึดเสริมก็ไปเสริมก็ไปออนี่ของใส่ที่ได้ของของคบฉันก็คือกันเนี่ยออไปบ่นใดบ่นใดเท่เออกเท่เออก เ, เ, เ, เต็มบาทโดนบาทเาก็ไปใส่ <c oughs> ลดไซล่าคุณนี่จกกักหน่อยจักหลายจนว่าทําไม้พระเกิดจเจริญนี่เพราะว่าบินตะบาดขายได้ด้วมือ <c oughs> ภาสบงกีวอนก็เริ่มขายไปแล้วก <c oughs> ันบ่ใสอุบายใส <c oughs> พิธีหนึ่งบ่ได้ขายโดยตรงขายทั้งอ้อมนี่ หลวงพอ่อหงพอ่อคือว่าของทําสังกทานหลายแทะก็น้อยมาบูชาอวิวัดนั่นผู้หนึ่งเหตุใดผู้รุ่นกับมาเหตุอีกแมนคือเจ้าพระเหตุละ่ะว่ต้องไปหาซื้อร้านยากหรอกตัวร <c oughs> <c oughs> อดพระเกิดสิเลส <c oughs> ข้าเดียวพูนั้นกับมาข้าเดียวพูณนี่กับมาข้าเดียวกันหลวงพ่อหลงพอ่งพอมาเหตุสังกฐานหงพอ่อหลวงพอ่อจสังกทาน เรียวมาสักวังส ก, กุลทั้งกรท่านให้หมดมือเออนั่นแหละต่างพระละในพระดอทพระพุทธเจ้าเป็นๆแบบนี้คือกันรับของท่านจากญาติจากโยมแต่ว่าเป็นเอาของที่เป็นประโยชน์เออของเกินพ่อดีเราเพป่นของเพเป็นประโยชน์วันต่อเดือนเกินพ่อดีค uh, uh, บฉันนิดสิเกินพ่อดีออ ทางพระพุทธการเวลาถวายพัะตาหารแล้วก็ทุดถ่ายก็คือถวายใบปอบระนาไม่เป็นพระเทศเอาดิว่าวิจักัดดิยงเยอเดี๋ยวนี้ก็ย่อนปัดจัิยงเยอะเดี๋ยวนี้ปวดหัวเอะเดี๋่วนี้ยังปัจจัยบุญบา ร, รมีหลวงปู่หลายปัจัยหลาย เลยเห็ุเป็นมุ่นนิธิไว้นั่นนั่นนี่ น, นี่ลายอันลายอย่างนี่สำรักส า, าสางจะเหตุนั้นนิดนี่ไปกึโอ้ยกำหนดกดเกณฑ์ของมุ่นนิธิกลายขั้นตอนลายอันลายอย่างมีระเบียบลายแนวมาขามยคุกเขีคค้ยแล้วโอ้ยเลยงงด้เย น, น, <c oughs> นี่เพราะฉะนั้นจึงนิดใสรถเด็ดใสหลวงพ่อคือมีเรา หลับอยู่แต่ว่าันไหนจาเป็นใจเลยใจเลยหายไปเลยอยากท่านก็ท่านไปเลยอยากเหตุนั้งก็เหตุไปเลยญาโยมมาถวายต้องถามคนนี้อมาถวายให้หลวงพอ่อหรือถวายในวัดอันตราวัยให้วัดก็ บ, บอกเขาตู้อันตราวยหลวงพ่อมาหนีเอียจ่าตะโยมลูกศิษย์ที่นี <c oughs> เ่เวลาผู้ใดจําเป็นมาคอยมีเหตุผลดีจังไงบงมีเหตุผลกับว่าไงแล้อ พระพุทธเจ้าพระถวายก็คือใบปพ ร, ราณา่าไม่ได้เอาสิ่งเอาของเอาข่าวเอ า, อเอาน้ามเอาถูกสิ่งถูกอย่างมาเก็บเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีสาระไม่มีกุติไม่มีวันสิเก็บสิงเก็บของคนตัดท่วมกังวลบ่อยพระอยู่งยากคนจังเหตุแนวทางแบบนั้นอในภึกษาจารย์บินฑบาตก็ไ่ได้เอาเกินขบฉันอิ่มตามรักค้หลักเขามีหน่ายก็วางสั่นนี้บ่อย ห้ามพระพิกสุสงรับอาหารและบินฑ บ, บาตเกินขอบปากบาทเดชขันย่างหลายบ่ยเกินขอบบาทเดชก็เลยมีการย่อมอนุร่วมไดเน่ยนก็คือยกเว้นนี่ยยกเว่นมีคนมาถ่ายเทนั่นอันผมมีคนถ่ายเทก็ไปเอาเกินนั่นก็นน ย, ยุ่งยากเห็นว่าสันพระเอาเกินเกินบาทอ่ะยัดใส่ถงให้เต็มถงใส่คุใส่กระตาใ ห, ห้เต็มคุเต็มกระตาเราต้องใส่รถเป็นตัวชมือนย เมื่อมีรถขับก็ใส่รถเข็นเอาเนี้ทังนึงไบาททั้งหนึ่งแก้รถเข็นพุ่นเนี่ยนั่นแหละจึงได้บอกคือพ่ะเจ้าเฮติพระเกิดจิเลตได้บาปน้ำกันเนี่ยพระสนมเฮติพระเกิดชิ้เลตจึงจะได้บุญหลายพระสนมนี่กันจะเดกันจะข้านี่อกับท่านแนวมีปัญญาแนวมีเหตุมีผลแนวสที่ว่เดือดร้อนบุญวีบุญไหว้ของพระสงฆ์หมนแล้วนี่ก็ถือ <c oughs> บ่ย า, ากเกลยดจากถ้ำเหือว่าสมัยใหม่นี่มันว่าพวกญาติพวกโยมเหมือนว่าผู้ไรถือผู้ไรถือผู้นั้น ใ, ใส่ตัวเหมืนว่าเด้อบัดเออบัดนี่พระที่ไปขอมาใส่เหมืนว่าผมยืมจะเข้าแน่เหมือนว่าไปเนี่มันลยเก็ยืมจะเข้าเดี๋ยวเขาจะมาให้เดี๋ยวขอไปเที่ยให้พระมึงก็ไปเถียงมาได้เนาะเออเป็นบ่ย า, ากขึ้นรงสืนสารเหมืนว่าถ้ายกท่าจกาผู้รับใส่ไปว้าวทุ่มซีทุ่มหาหล า, ายก็เป็นญาตเครียด พอจังก็เลยเป็นปัญหาจุดนี้ท่านในพระพระเพิ่งจะผิดพระวไนยกันเถื่อมาไว้พร้อมก็จะเกิดขุ่มโลกลูกหลานยังใส่เปืองนด้เสมอหนีิมันไปถือเห็นแน่แล้วแอวเอาถึงตัวลูกหลานก็ได้ก็เห็นนี่เงินยุบไปไยัหไปว่าเน่ยหลวงพ่อคือให้ฝากไว้ยุ่ง <c oughs> ของหลวงพอ่อตัวโอของเปินมาใส่ก็ยังเอาแท่นเพลินตัว ของหลกหลานมันแน่ใส่ใจหลายสิบหมื่นควบหลัวหลาความผู้เพว่อควบ ม, มั่วเปิดเพื่อนแต่เจ้าทายานเครื่องส่งเสริมจิเลตมันหลายจะเลยมัวม่วเมาไปน้าของมือนีแ่แหละนี่เอาตำการนะ้อำสมัยเอาทตำควบหลัวหลาผุผปปดด้เพื่อไปบ่ได้ดอจัดพระมาเทศจัดพระมาอธิบายธรรมะใก่ไปย่ำฟังแล้วน้าไปทําเนี้ดิให้เขาใจเขา้ามาฟังธรรม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 ฟังธรรมฟังแล้วนั่มไปปฏิบัติเกิดประโยชน์เเอาควมของบรธเจ้ามาเว้าทูกกันฟังเพื่อเป็นการตอกยำ้ำบ่อยคนเม่าเม้ า, มาลุ่มหลงหลังจาตอกยำ้ำบ่อยลุ่มหลงก็จ่างพักกันหลงยืนเด่น